อัรถาปฏิสมุดฐานว่าด <the> ้วยสมุดฐานอาบัตที่มีอยู่หนึ่งปาราชิกว่าด้วยอาบัตปาราชิกสี่ร้อเจ็ดสิบอาบัตที่ภิกษุไม่จงใจต้องแต่จงใจออกมีอยู่อาบัตที่ภิกษุจงใจต้องแต่ไม่จงใจออกมีอยู่อาบัตที่ภิกษุไม่จงใจต้อง ไม่จงใจออกมีอยู่อาบัตที่ภิกษุจงใจต้องจงใจออกมีอยู่อาบัตที่ภิกษุมีจิตเป็นกุศลต้องมีจิตเป็นกุศลออกมีอยู่อาบัตที่ภิกษุมีจิตเป็นกุศลต้องแต่มีจิตเป็นอกุศลออกมีอยู่อาบัตที่ภิกษุมีจิตเป็นกุศลต้อง แต่มีจิตเป็นอัพยกฤษออกมีอยู่อาบัติที่ภิกษุมีจิตเป็นอกุศลต้องแต่มีจิตเป็นกุศลออกมีอย nah ู่อาบัติที่ภิกษุมีจิตเป็นอกุศลต้องมีจิตเป็นอกุศลออกมีอยู่อาบัติที่ภิกษุมีจิตเป็นอกุศลต้องแต่มีจิตเป็นอัพยกฤษออกมีอยู่ อาบัตที่ภิกษุมีจิตเป็นอภพยากิริตต้องมีจิตเป็นกุศลออกมีอยู่อาบัติที่ภิกษุมีจิตเป็นอภพยากิริตต้องแต่มีจิตเป็นอกุศลออกมีอยู่อาบัตที่ภิกษุมีจิตเป็นอภพยากิริตต้องแต่มีจิตเป็นอภพยากิริตออกมีอยู่สิกขาบทที่หนึ่งถาม ปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไรตอบปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายกับวาจามิใช่เกิดทางจิตถามปาราชิกสิกขาบทที่สองเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไรตอบปาราชิกสิกขาบทที่สองเกิดด้วยสมุดฐาน3สมุดฐานคือ